จะบวชนะแล้วเขาว่ายัางไงอนุญาตครับให้เป็นบวที่ที่อื่นก็มาอยู่ได้และแต่ว่าเห็นบอกว่าของผมเป็นมหาิกายแล้วที่มีเขาาบอกว่าทาีสามร่วมกัน ไ, ได้อ่าเป็นไแล้วเขามีกติให้ลลเหลยยังไถามแต่ว่าท่านอนุญาตครับอ่าก็้องถามแลมีกติให้มาอยู่ครับอ เราไม่มีกุฏิให้นะเดี๋ยวจะมาขอกุฏิกับเราเราไม่มีให้เนดะี่อยขึ้นมาคขึ้นมาค่อยลไปอ๋อข้างบนนี้อยู่ไม่ได้นะเหรอาถึงว่าขึ้นตอนกลางวันอรู ไ, ไม่ไคือผ้าใหม่ก็ไม่ให้ขึ้นมาอยู่แนละ้วาต้องเรียนนักเซไปก่อนเลยการต้งเรีย น, นะนนักทำเตทาไม บ, บริบวนมาฮันนีกายทำไมลนะ่ะ จกถ้าว้าถ้าตอนอย่างใบสองนี้ขึ้นมาได้ให้ได้ละพระาก็ไม่ขึ้นมาเ น, นี่ยเป็นช่วงของญาติโยมไปพูดกับใครแเราไปพูดกับพระลูกไหนไม่ทราบชื่อท่า น, นที่ว่าคงยังไม่ได้ไปพูดกับิภพพระหรือเปล่าไปพูดกับพระครูหรือเปล่า ถ้าท่านบอกให้มาอยู่ได้อแล้วทางท่านว่าไม่มีกุฏิให้อยู่ล่าออย่างถ้ามาแล้วเขาบอกไม่มีกุฏิให้มามาอยู่กับเราเราไม่มีที่อยู่ใหนะ้คนที่จะมาอยู่ที่ขโมนนี้มันต้องดูก่อนว่ามีความสนใจในเรื่องการปฏิบัติหรือเปล่า ถ้าไม่สนใจมาอยู่แล้วมันก็จะมารบกวนคนที่ก็ปฏิบัติข้อนี้จะไม่มีกิจกรรมบุญบังสังสว่วนไม่ใช่อยู่วันนี้แล้วเดี๋ยวจะให้ยาติโยมมาถวายสังฆทานมาทำพิธีกรรมอะไรมาอยู่ก็ให้ ปฏิบัติเนี่ยภาออยูนบนเขาตอนนี้เขาก็ปฏิบัติของเขาเข า, า, เ, ขาเรียนกันเองที่นี่มีหนังสือให้อ่านมีซีดีให้ฟังถ้าสงสัยอะไรก็ถามได้แต่ไม่มีเวลาที่จะมาเทศมาสอนเหมือนกับสอนให้ญาติยมนเนี่ยส่วนใหญ่เขามาเขาต้องการปฏิบัติ เขาเรียนมาแล้วเขาศึกษากันเองวันนี้ก็อ่านหนังสือเป็นเขาค้นหาข้อมูลต่างๆพวกต่างชาติเขาอยู่ต่างประเทศเขาไม่มีพระสอนแต่เขามีหนังสือเขามีอินเทอร์เน็ตเขาก็ค้นหาอ่านหนังสืออ่านในอินเทอร์เน็ต แล้วเขาก็นํามาไปปฏิบัติแล้วเขาก็ต้องการสถานที่ปฏิบัติเพราะถ้าได้ปฏิบัติแล้วอยู่บ้านปฏิบัตินี่มันไม่เหมือนกับอยู่ป่าอยู่เขาบรรยากาศมนะันไม่เหมือนกันความวิเว้ความสงบสงัดอยู่ตามบ้านมันก็ยังมี รูปเสียงกลิ่นรสของบ้านของเมืองอยู่เห็นแล้วมันก็ยังทำให้จิตใจไม่สงบไม่เหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสในป่าในเขาเนี่ยมันไม่มีอารมณ์มันไม่รบกวนใจ ม, นมันมีแต่จะกล่อมใจให้สงบ ท่านจึงพูะเจ้าถึ ง, ถงตัดเขาว่ากายวิเวกจิตวิเวกกายต้องวิเวกคือกายต้องอยู่ที่สงบสงัดแล้วจิตก็จะสงบสงัด ต, ตาม <c oughs> ถ้าอยู่ที่มีเสียงรูปเสียงกลิ่นมีแสงสีเสียงมันก็จะมีะความ ความปั่นป่วนมีความกระเพื่มพอจิตได้สัมผัสกับแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสใจก็จะกระเพื่มใจก็จะเต้นคือตื่นเต้นเห็นไหมเวลาฟังเพลงคอนเสิร์ตนี่ร้าวใจนะตื่นเต้นนะเปิดมันให้ด้านหูเลย ฟังแล้วนั่นแหละรูปเสียงกลิ่นรสมันจะเป็นตัวกระตุน้นตัวกระตุ้นจิตมันไม่ได้เป็นตัวที่จะกล่องจิตต้องความสงบสงัดความสงบสงัดของแสงสีเสียงของรูปเสียงกลิ่นรสมันจะกล่องนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวก็สงบถ้าไม่สงบก็หลับ ถ้าหลับก็แสดงว่าไม่มีสติถ้ามีสติก็สงบอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่อายุนังไม่มากตอนที่เป็นเด็กวันหนึ่งท่านนั่งอยู่คนเดียวใต้โคนต้นไม้มีบริษัทบริวารที่คอยห้อมลอ้อมไม่ว่างไปทำภารกิจอย่างอื่นกันวันนั้นเขามีงาน แรกนาขวัญต้องไปช่วยกิจกรรมทางอื่นเลยไม่มีใครมาเฝ้าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารปล่อยให้ประทับอยู่คนเดียวอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ที่โคนต้นไม้เพราะไม่มีใครมาคอยคอยคุยด้วยคอยทำอะไรด้วยจิตอยู่เฉยเฉยไม่มีอะไรมารบกวน มีความสังัดของต้นไม้ล่มของล่มไม้จิตก็รวมเข้าสู่สมาธิโดยอัตโนมัติเพราะพระพุทธเจ้านี้มีสติมีสติมากเพราะมีสติพอไม่มีอะไรมาชวนให้คุยชวนให้ทำอะไรจิตอยู่เฉยเฉยมันก็ไม่ปรุงแต่ง มันก็รวมเข้าสู่สมาธิเด่งเข้าสู่สมาธิเลยมีอำนาจของสติมีความาสำคัญต่อการทําใจให้สงบถ้าอยู่คนเดียวที่สงบอย่างนี้แล้วถ้าไม่มีสติเดี๋ยวกลัวผีอ่ะเดี๋ยวความคิดปรุงแต่งต่างๆโผล่ขึ้นมาล่ะอยู่ไม่ได้พวกที่ไม่มีสติมาอยู่ที่สบงบสงัดอยู่ไม่ได้ เคยมีคนมาขออยู่บอกจะขอมานอนมาปฏิบัติบนเขาสักคืนหนึ่งก็เลยลองดูเอาอยากจะลองก็เอาอยู่ได้สองท่ข อ, อกลับบ้านแนละอกไม่รู้อะไรมันเต็ไมไปหมดแลยมาจะใครกไนไม่รู้ตัวอะไรกันไม่รู้กลัวอก การภาวนานี่ถ้ายังไม่มีศีลนี่ภาวนาไม่ได้กลัวต้องกลับไปรักษาศีลก่อนทำบาปไว้ยเยอะเอาทาบาปไว้เยอะนี่วิบากมันจะมาหลอกเราการทำร้ายคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้กลัวดวงวิญญาณเขาจะมาทำํำเราเลย ถ้าไม่มีสติอยู่ไม่ได้ที่เงียบๆอย่างนี้ที่สงบสมัูรณถ้าไม่กลัวก็หลับนั่งเองมันเงียบเงียบจนกระทั่งมันไม่รู้จะทำอะไรจะดูก็ไม่มีอะไรให้ดูจะฟังก็ไม่มีอะไรให้ฟังจะกินจะดื่มอะไรก็ไม่มีให้กินให้ดื่มก่อนที่ภ า, าวนาไม่เป็นขึ้นมาอยู่วันนี้ไม่ได้ เดี๋ยวต้องหาอะไรทําเดี๋ยวอยู่ว่างๆก็อาจจะไปทําอะไรส่งเสียงทําไม้กวาดทําอะไรกวาดนุ่นบางท่านที่ไม่ใช่เวลากวาดแต่อยู่เฉยๆอยู่ดีๆเห็นไม้ก็ขอกวาดอยู่นิดหน่อยเพราะมันกวาดมันก็เสียงดังคนที่เขานั่งสมาธิอยู่มันก็ไปรบกวนเขาที่นี่เวลาทําอะไรเรามีเวลา ทำเลยต้องทำพร้อมกันจะได้ไม่รบกวนกันเวลานี้ไม่ทำเวลานี้ต่างคนต่างภาวนาสมาธิกันเดี๋ยวเวลาสี่โมงครึ่งเนี่ยมากกว่าวกันนะในเวลาเม่เวลาดื่มเวลาจะดื่มก็มาดื่มพร้อมกันเวลาจะเบิญจบารไปฉันก็ทำพร้อมกันมันจะได้รบกวนกันพร้อมกันะ ทํากิจกรรมพร้อมกันมันก็เลยไม่ไปรบกวนคนที่นั่งสมาธิเพราะตอนนั้นไม่มีใครนั่งสมาธิทุกคนทํากิจกรรมพร้อมกันถ้าคนหนึ่งนั่งสมาธิคนนึ่งทำกิจกรรมเดี๋ยวก็วุ่นวายมันก็รบกวนกันพอคนนี้ทําเสร็จจะไปนั่งสมาธิคนนี้นั่งสมาธิก็ลุกขึ้นมาทําลุกขึ้นมากลัดมันไม่กวัดพร้อมกันมันก็เลยทําให้สถานที่ ไม่อื้อต่อการปฏิบัตินั้นการการนั่งการจะทำสมาธิทางใจให้สงบนี่สถานที่ต้องสงบก่อนสถานที่สงบก็ต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาพเพราะที่นอกนั้นไม่มีพวกกิจกรรมต่างๆไม่มีโรงภาพยนต์ไม่มีศูนย์การค้า ไม่มีร้านอาหารไม่มีสวนสวนน้ำอย่านี้ในสวนน้ำเปิดมีสวนอ่างมนไล่อ่างนที่เหล่านั้นมันก็จะทำให้เราไม่รับข้อมูลทางทางรูปเสียงกลิ่นรสข้อมูลที่จะมากระตุ้นจิตใจให้เราตื่นเต้น ให้เราเกิดความอยากขึ้นมาเราเกิดความอยากแล้วใจจะกระเพื่อมใจจะกัวนกระวายใจจะกระสับกระสายจะหงุดหงิดํำคาญใจขึ้นมานี่คือเรื่องของการนนะบาเพ็ญวันนี้เราจึงค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกวดขันเลือกแฟนคนไม่ใช่ใครอยากจะมาก็มาต้องมีการสอบเอนทานก่อนมีสอบสอบสัมภาษณ์มีการสอบข้อเขียนก่อนก็ดูกิริยาการดูการกิจพฤติกรรมของคนก็จะรู้ว่า มีความสนใจในการปฏิบัติหรือเปล่าหรือชอบมาทํานู่นทนํานี่หรือไม่งั้นก็นั่งคุยกันไม่งั้นก็หาเครื่องดื่มดื่มกันเดือมน้ําชาเดื่มกาแฟอถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็ไม่ควรจะขึ้นมาควรจะอยู่ข้างล่างข้างล่างเขาไม่มีข้อบังคับอะไรมากใครอยากจะทําอะไรก็ ทำอยากจะนอนก็นอนอยากจะดื่มกาแฟาก็ดืม่มอยากจะเล่นโทรศัพท์ก็เล่นข้างบนนี้ต้องการที่จะให้มันเจริญสติเพื่อที่จะได้ทำใจให้สงบสตินี่สาคัญนะถ้ามีสติแล้วอยู่ที่สงบนี่มันสงบได้เองไม่ต้องทำอะไร เพียงแตนั่งเฉยยกำหนดจิตให้สักแต่ว่ารู้ท่านเองมันก็สงบได้นะสตินี่แหละเป็นตัวที่ทำให้พระพุทธเจ้านี่ตอนที่เกิดมาเดินได้เจ็ดเก้าเชื่อไหมเพิ่งมีข่าวเนี้ยมีเด็กคนหนึ่งเนี้ยเพิ่งออกมาได้ไม่กี่ชั่วโมงลุกขึ้นมาเดินนะลุกขึ้นมายืนนะ พยาบาลเขาตกใจเด็กอะไรแต่เด็กคนนี้ท้าทางจะมีสติมากคนนี้มีสตินี่สามารถสั่งให้ร่างกายทำอะไรได้ถ้าคนไม่มีสติคนเมาเนี่ยถึงแม้จะเป็นผู้ใหญ่ยังเดินไม่ได้เลยเดินยังโดนโซซัดโซเส่ความแตกต่างระหว่างการมีสติกับการไม่มีสติถ้ามีสตินี่สามารถที่จะ ทำอะไรได้อย่างเรียบร้อยถูกต้องไม่เสียหายคนที่ไม่มีสตินี่ทำอะไรทำแล้วไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องคนเมาคนบ้าเด็กที่เป็นพิการทางสมองนี่ก็เด็กไม่มีสติควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของสตินะ ไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายชาติก่อนอาจจะไปทำอะไรจนกระทั่งเสียสติไปคนเราเสียสติได้หลายอย่างเวลาเสียเสียอกเสียใจมากๆก็เสียสติได้ไม่ระวังถ้าไม่รู้จักหักข้ามจิตใจเวลาสูญเสียอะไรไปมากๆนี่บางทีกับเสียสติ กลายเป็นคนบ้าไปคนเสื่อมเศร้าไปสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญมากในการที่จะควบคุมจิตใจจิตใจจะเอาจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การมีการควบคุมหรือไม่มีการควบคุ ม, ม, ม, คคมถ้ามีการควบคุมมันก็จะมันก็จะดี แต่การควบคุมก็ต้องมีปัญญาช่วยกำกับอีกตัวหนึง่งเพราะถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วถึงแม้จะควบคุมได้แต่ก็อาจจะไม่ควบคุมเวลาไปทำอะไรผิดถ้าหลงผิดที่ว่าทำนอดเป็นสิ่งที่ถูกก็กลับไปทำด้วยสติ ด้วยความตั้งใจอย่างองค์โคลิมานี่ก็ไม่รู้ว่าการฆ่าคนนี้มันเป็นบาปไม่สามารถทำให้บรรลุธรรมได้แต่หลงผิดถูกเขาหลอกถูกอาจารย์สอนว่าการฆ่าคนได้เยอะๆนี่เก่งเป็นผู้มีคุณธรรมสูงความสามารถสูงบรรลุธรรมขั้นสูงได้ด้วยการฆ่าคน มีสติมีสติถึงฆ่าคนได้แต่ไม่มีปัญญาหลงผิดเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นว่าการฆ่าคนเป็นมุกสู่การหลุดพ้นสู่การบรรลุ ธ, ธรรมโชคดีไปเจอพระพุทธเจ้าคนสุดท้ายที่เขาจะฆ่าพระพุทธเจ้าก็เลยใช้ อิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าทําให้องค์กลิมานี้ไล่ตามไม่ทันจะไล่วิ่งฆ่าพระพุทธเจ้าวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งไม่ทันพระพุทธเจ้าวิ่งเร็วกว่าจนองคุลิมานต้องตะโกนบอกพระพุทธเจ้าว่าท่านหยุดเถิดอาขพระเจ้าวิ่งตามไม่ทันแล้วพระพุทธเจ้าก็ย้อนกลับไปว่า เราหยุดแล้วเธอต่างหากยังไม่หยุดองคุลิมาก็บอกทำไมไม่หยุดถ้าท่านหยุดแล้วผมก็ต้องวิ่งตามทันเลยผมวิ่งเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันก็แสดงว่าท่านไม่ได้หยุดล้วท่านมาบอกว่าท่านหยุดได้ยังไงอุตตะจ้าก็บอกว่าเราหยุดจากการความโลภความโกรธความหลง เราหยุดจากการฆ่าฟันพูดโรคเราไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตไม่อยากบรรลุธรรมด้วยการฆ่าพูดพอพูดอย่างนี้องคุลิมาลก็เลยได้สติได้ปัญญามีสติแต่ไม่มีปัญญาพรพุทธเจ้าแสดงธรรมให้เห็นว่าการบรรลุธรรมนี้ไม่ได้บรรลุด้วยการด้วยความโลภ แต่บรรลุด้วยการละความโลภหยุดความโลภความโกรธความหลงก็เลยเกิดศรัทธาขอฝากเป็นลูกศิษย์ขอศึกษาจะอยากพระพุทธเจ้าวิธีหยุดความโลภความโกรธความหลงพอระพุทธเจ้าทรงสอนให้หยุดด้วยการภาวนาสำลักษภาวนาวิปัสสนาภาวนา องคุลิมาลก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เพราะว่าเขามีสติอยู่แล้วเองแต่ไม่มีปัญญาพอมีปัญญาทีนี้รู้แล้วว่าต้องทำอะไรไม่ควรทำอะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ควรฆ่าสัตว์ให้ละเว้นเสียให้ถือศีลให้ถือศีลให้บำเพ็ญสมาธิปัญญาคือภาวนา ไปสิกขาทางสู่การหลุดพ้นทางสู่บัณการบรรลุธรรมคือศีนสมาธิปัญญาอพอมกุริมาปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนเลิกฆ่าคนรักษาศีลแทนภาวนานั่งสมาธิจิตก็รวมไปนับปนาเพราะมีสติแล้วพอให้พิจารณาตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ปล่อยวางทุกอย่างได้ ละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ละลาบยศสรรเสริญละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ละความอยากมีอยากเป็นได้อยากเป็นใหญ่อยากจะเป็นผู้บรรลุธรรมละหมดความอยากเหล่านี้เป็นตัวขวางการบรรลุธรรมอย่างพระอนนก็อยากบรรลุธรรมอยากไปถึงพระนิพพานพระพุทธเจ้าทรง ตัดก่อนจากไปว่าอนุนเธอสามเดือนหลังจากที่เราตายไปแล้วเธอจะได้มนุษย์เป็นพระอาหารหันต์ตอนนั้นอนุนเป็นพระโสดาบันนะแต่ยังไม่มีเวลาปฏิบัติเนื่องจากต้องคอยรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ยี่สิบกว่าปีด้วยกันเป็นพระโสดาบันมายี่สิบกว่าปีแต่ไม่มีเวลาไปเปรึกเวกไปปฏิบัติ คอดูแลรับใช้พระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีก็เลยไม่ได้บรรลุเป็นพระอแล้วแต่พอพระพุทธเจ้าจะจากไปอานนท์ก็ร้องไห้บอกว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วใครจะมาสอนการจะมาสั่งพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอหลังจากที่เราไปแล้วเดี๋ยวสามเดือนเธอก็บรรลุเธอไม่ต้องกังวล พระนุนก็เลยดีใจเชื่อคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าก็ลหลังจากเสร็จงานศพแล้วก็ไปปกไว้เวกไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินนั่งสมาธิให้จิตสงบเป็นอัปปนาออกจากสมาธิมาก็พิจารณาตายลักพิจารณาสุภาพไปพิจารณา อวิชาพิจนาอะไรไปในที่สุดถึงคืนสุดท้ายแนละ้วยังก็ยังไม่บรรลุยังไม่รบรรลุขั้นสูงสุดหรือยังติดอยู่ขั้นสุดท้ายอยู่ก็เริ่มวิตกแล้วไ อ, เอ้เดี๋ยวสว่างก็ถึงก็ครบสามเดือนแล้วนะนี่ก็ตอนเดึกกำลังเดินจงกรมนั่งสมาธิ เดินยิ่งพยายามยิ่งเดินเท่าไรพิจารณารมเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมบรรลุสักทีใจก็อยากจะบรรลุแล้วก็เชื่อว่าจะได้บรรลุเพราะพระพุทธเจ้าได้บอกไว้ว่าจะต้องได้บรรลุใจก็คิดอยู่กับอดีตคือคำทํานายของพระพุทธเจ้าว่าจะบรรลุภายในสามเดือนคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายของสามเดือน อีกใจน้นก็ไปคิดถึงอนาคตคือการบรรลุใจก็เลยไม่อยู่ปัจจุบันการจะบรรลุนี้ใจมันต้องปล่อยอดีตปล่อยอนาคตปล่อยความอยากทั้งหลายความอยากจะบรรลุก็ต้องปล่อยแต่พอใกล้สว่างแล้วอานุ์บอกว่าไม่มีทางแล้วพย า, ยามเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาปัญญาอันิจจังทุกขังอนัตตา มันก็ยังไม่บรรลุคำพูดของพระเจ้าที่เคยเชื่อก็เริ่มเริ่มสันเริ่มศรัทธาเริ่มสันสันคลอนแล้วเอ้คราวนี้พระเจ้าคงจะทำพยากรณ์ผิดแน่ๆเพราะเรามันทำยังไงก็ไม่บรรลุสักทีก็เลยตปร่งวาเราไม่ได้บรรลุแน่ๆ เลยขอพักดีกว่าเหนื่อยจากการบําเพ็ญช่วงที่เตรียมตัวจะนอนเนี่ยอยู่ในท่าหลังท่านั่งกับท่าจะนอนเนี่ยก็จิตก็ปล่อยทุกอย่างปล่อยอดีตคือคํามพยายา์ของพระเจ้าปล่อยอนาคตคือการบรรลุความอยากจะบรรลุพอปล่อยหมดจิตก็เลยบรรลุตอนนั้นเลยบรรย์ในระหว่างที่กำลังจะ อยู่ในท่านั่งกับท่านอนความอยากมีอยากเป็นอยากบรรลุอยากอะไรก็ต้องปล่อยแต่ไม่ได้แต่ความอยากปฏิบตัติต้องปฏิบตัติไม่ไม่อยากบรรลุก็ปล่อยก็เลยไม่ปฏิบัติมันไปกินเหล้าต่อไปเที่ยวต่ออย่างนี้ก็ไม่บรรลุเหมือนกัน ความอยากมันมีข <studios> ั้นที่เราต้องหยุดนึเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็ต้องหยุดเช่นเราอยากกลับบ้านเราอยู่ตรงนี้เราอยากจะกลับบ้านเราก็ขับรถกลับบ้านพอเราถึงบ้านแล้วเราก็อยากก็อยากกลับบ้านเพราะมันถึงบ้านแล้วถ้ายังอยากกลับบ้านอยู่เดียวมันก็หาบ้านอยู่นะบ้านเราอยู่ตรงไหน นี่คือทำสอนของพระเจ้าที่สอนให้ให้ละความอยากทั้งสามประการความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือถ้ามีอะไรก็อย่าไปอยากไม่มีถ้าไม่มีอะไรก็อย่าไปอยากมีเข้าใจไหมนี่คือเช่นมีมีมีโรคภัยแค่เจ็บอย่างนี้ ก็อย er ่าไปอยากให้มันไม่มีถ้าอยากให้มันไม่มีมันก็จะทุกข์ถ้ามีก็อยู่กับมันไปรักษาได้ก็รักษามันไปมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีเงินก็อย่าไปอยากมีถ้าไม่มีแฟนก็อย่าไปอยากมีเพราะมันพออยากแล้วมันก็ทุกข์เพราะมันยังไม่มีมันยังไม่ได้แต่ถ้ามีแล้วอยากไม่มีมันก็ทุกข์อีก มีแฟนแล้วอยากไม่มีแฟนก็ทุกข์เองเพราะว่าแฟนยังมีแฟนไม่ยอมไปเนี่ยแฟนยังอยู่กันแล้ว <c oughs> <laughs> พออยู่กับคนที่เราไม่อยากอยู่ด้วยมันก็ทุกข์อีกนี่คือความอยากไม่มีคืออยากไปอยากไม่มีในสิ่งที่เรามีอยู่มีอะไรอยู่ก็ต้องอยู่กับมันไปหรือถ้าสิ่งไหนที่มีแล้วเราทิ้งมันได้ก็ทิ้งไปได้ก็ทิ้งไปแต่สิ่งไหนที่ทิ้งไม่ได้ บ่อยมันยังอยู่ก็ต้องอยู่กับมันไปเช่นร่างกายเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ตาย่าไปอยากให้มันตายก็เป็นกิเลสอีกเวลามันจะตายอยากให้มันไม่ตายก็เป็นกิเลสอีกถ้ามันยังอยู่ก็ให้มันอยู่ไปถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปแต่อยากอยาไปอยากตายตอนที่มันยังอยู่เช่นบางทีแพนตายไปก็เสียใจอยากจะตายตามแพนไป อานนี้ก็เป็นกิเลสเลยหรืออยู่กับแฟนแล้วทะเลาะกันเบื่ออยากจะฆ่าตัวตายเพราะอยู่กับแฟนแล้วมันทุกข์อันนี้ก็ไม่ได้ดังนั้นต้องเข้าใจคำว่าอยากกับความว่าไม่อยากความอยากมีกับความอยากไม่มีมันเป็นอย่างไงเดี๋ยวมันจะทำผิดกันเวลามีร่างกายก็อยากจะตาย เวลาอยเวลาจะตายก็อยากจะอยู่ต้องเฉยเฉยคือไม่ให้มีทั้งความอยากมีหรือความอยากไม่มีมีร่างกายก็มีไปเวลาไม่มีก็ไปยม่ไปถ้าไม่มีความอยากมีร่างกายเฉยเฉยไปร่างกายจะตายให้มันตายไปจะได้ไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่ นี่คือวิธีที่จะบรรลุธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญก็ความสงบสงัดของพื้นที่ที่อยู่อาศัยของเราต้องเงียบสงบต้องอยู่คนเดียวไม่คุกคลีกันเนี่ยพระที่อยู่บนเขาเนี่ถึงมม้ว่าจะมาอยู่บนเขาด้วยกันแต่จะไม่ไปนั่งคุยกัน ไม่ใช่อยู่คนเดียวเหงาเดี๋ยวก็เดินไปหาไอ้กองหนึ่งพี่เป็นไงสบายดีเลยพี่อยู่คนเดียวไม่เหงาบ้้งเหรอผมนี่เหงาก่ <c oughs> อนเดี <c oughs> ยวงไม่ไม่ให้คนขึ้นมาง่ายๆ آ. ก็อาจจะขึ้นมาลองดูก่อนก็ได้ชั่วคราวอะไรอย่างนี้ ช่วงกลางวันอะไรอย่างนี้แต่ยังไม่มาอยู่แต่ถ้าอยู่ข้างล่างเขามีภารกิจต้องทำก็ต้องทำกับเขาก่อนในช่วงเขา้าพรรษาเขาจะมีการเรียนพระบทใหม่น้องเรียนหลักสูตรนักธรรมปีนักธรรมปีก็จะเรียนพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเรียนพระธรรมคำสอนว่ามีอะไรบ้างเช่นมักแปด สีลสมาธิปัญญาตายลับเรียนอริยสัจสเรียนพระวินยัยศีลสองยีเจดข้อนี่คือหลักสูตรนักธรรมเตต้องเรียนพวกนี้เป็นพระต้องมีข้อห้ามอะไรบ้างที่ทำไม่ได้ต้องรู้ถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปทำเดี๋ยวก็ก็จะถูกจับศึกได้ เพราะพระนี่เป็นผู้ที่มีความสำรวมผู้ที่มีกิริยาอาการสวยงามแต่คนที่เราบวชบ่นี่ยังไม่ได้เป็นพระโดยอัตโนมัติเหมือนเด็กพึ้นทอดออกมาใหม่ยังพูดภาษาพ่อแม่ไม่ได้ยังทำอะไรตามพ่อแม่ไม่ได้ ทำไมพ่อแม่คอยสั่งคอยสอนก่อนสอนกินสอนพูดสอนทำอะไรก่อนพอโตก็จะทำเหมือนพ่อแม่ได้พระบทใหม่นี่นจึงต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าปีก่อนไม่ให้ไปอยู่คนเดียวไปอยู่คนเดียวก็เหมือนกับจับลิงใส่ผ้ า, าเหลืองแล้วปล่ อ, อยมันไปอยู่ตัวคนเดียวมันจะเป็นมันจะอยู่แบบพระได้ไง เส้นสายมันก็ยังเป็นลิงอยู่มันก็จะเป็นลิงของมันไปถึงต้องอยู่กับคนก่อนให้คนสอนก่อนว่าวิธีอยู่กับคนเป็นยังไงสังเกตไหมลิงที่อยู่กับคนนี่มันจะเรียบร้อยกว่าลิงที่มันไม่เคยอยู่กับคนเพราะคนจะคอยสอนสอนให้มันนั่งสอนให้มันอยู่เฉยๆถ้าไม่มีใครสอน้ลิงมันจะไม่อยู่เฉยๆมันก็จะ ทำนู่นทำนี่อะไรงไปเรื่อยๆภาพบุตรใหม่ก็เหมือนกันถ้าไม่มีคนคอยสอนเดี๋ยวก็จะไปทําอะไรตามที่เคยทํำมาแล้วมารู้ทีหลังว่าทําไม่ได้ yeah เดี๋ยวอยากจะออกจากวัดไปเยี่ยมคนนูนเยี่ยมคนนี้ก็ไปเลยเคิดถึงคนนั้นก็ไปหาคนนั้นเดี๋ยวอยากจะไปซื้อของก็ไปซื้อเลย ส่วนใหญ่ที่ญาติโยมเห็นพระที่ไปทําอะไรที่ญาติโยมเห็นแล้วปวดหัวเนี่ยเป็นพวกที่บวชแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร่าไม่ได้เรียนไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์หรืออยู่ก็ไม่มีใครสอนสมัยนี้วัดบางวัดนี่เขาไม่สั่งไม่สอนบวชเสร็จออกจากบวชก็ตัวใครตัวมันก็มีแต่พวกที่สอนก็เป็นพวกที่ไม่ได้เรียนมาทั้นั้นก็สอนแบบผิดๆกันไป การอยู่แบบพระมันจึงไม่ใช่เพียงของง่ายมันต้องศึกษาก็เหมือนเด็กไปอยู่โรงเรียนกินนอนใช่ไหถ้าอยู่บ้านมันเป็นอีกอย่างนะเพราะอยู่โรงเรียนกินนอนนี่มันเป็นอีกอย่างนะจะกินมันต้องมีเวลากินจะนอนมันมีเวลานอนจะทำกิจกรรมอะไรมันมีเวลาทำทำพร้อมันหมดถ้าอยู่บ้านนี่ตามใจตามใจ พอแม่ไม่ค่อยควบคุมเท่าไหร่เอาใจลูกรักลูกลูกก็เลยไม่ค่อยมีมารยาทไม่มีความเรียบร้อยเหมือนกับเวลาไปอยู่โรงเรียนกินนอนโรงเรียนกินนอนนี้เขาจะเน้นเรื่องมารยาทเรื่องความเรียบร้อยเรื่องเรื่องวินยัยให้มีวินยัยให้รู้จักเวลาเวลาเวลารู้จักกาลเทศะ เวลานี้ควรจะทำอะไรเวลานี้ควรจะทำอะไรไม่ใช่ปล่อยให้ทำไปตามความอยากทำการมาบวชพระก็แบบเดียวกันเหมือนกับมาอยู่โรงเรียนกินนอนแต่เป็นโรงเรียนกินนอนที่มีระเบียบมากกว่าโรงเรียนกินนอนทั้งหมดในโลกนี้มีระเบียบต้อง227ข้อ ดนั้นจึงผลิตคนดีออกมาเนี่ยพระอาลานตสาวกเนี่ยนะก็มาจากการเป็นพระในส่วนใหญ่ดังนั้นผู้ที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีได้ให้เป็นคนประเสริฐเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระสาวกได้ ก็ต้องเรียนจากพระพุทธพระเจ้าหรือพระอริยสงสาวกตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพวกเราถ้ายังมีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่เรียกว่าพระพุทธวจนะเนี่ยคือพระสูตรต่างๆที่ได้ส่งแสดงไว้ และได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราสวดว่าสวากขาโตภะวตาธรรมโมธนะรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้แล้วเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบเป็นความจริงตัดไว้ตรงกับความเป็นจริงทุกประการเป็นอาการวิโกความจริงนี่ไม่มีวันเปลีป่ยนแปลง เป็นจริงทุกยุคทุกสมัยว่าเช่นความโลภโกรธหลงนี่เป็นตัวที่จะทำให้ใจทุกข์การกำจัดความโลภโกรธหลงจะทำให้ใจพ้นทุกข์จะทำให้ใจหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นอาการลิโกไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ล้านปีกี่แสนล้านปีความจริงอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิม พระพุทธเจ้าองค์ต่อมาที่จะมาตัดสั้รู้ก็ตัดสั้รู้เรื่องนี้เรื่องของความโลภโกรธหลงนี้ว่าเป็นตัวต้นเหตุของการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเป็นตัวที่ทําให้สัตว์โลกต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงสอนเหมือนกันสอนให้ละความโลภความโกรธความหลงให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นให้ละการกระทําบาป เพราะการกระทำบาปจะทำให้ใจทุกข์ใจร้อนแล้วจะต้องไปเกิดในอบายให้ทำบุญเพราะทำบุญแล้วจะทำให้ใจเย็นทำให้ใจสุขถ้ายังไม่ไปถึงนิพพานก็ได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆก่อนแล้วถ้าชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กำจัดความโลภความโกรธ ค, ความหลงได้ก็จะไปถึงพระนิพพาน ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอันนี้เป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลตามเวลาเพราะพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตัดสัตว์รู้แลวมาสอนก็รู้เรื่องนี้สอนเรื่องนี้สอนเรื่องโลภโกรธหลงว่าเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดการเวียนว่ายตายเกิดสอนวิธีดับความทุกข์ดับความโลภโกรธหลง ด้วยสิงสมาธิปัญญาว่าเป็นวิธีที่จะกําจัดความโลภความโกรธความหลงยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้สอนเหมือนกันทุกองค์นั้นเราอย่าไปหลอกตัวเองว่าไว้รอพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปดีกว่าจะได้พบกับธรรม ท, ที่ที่วิเศษกว่าไม่มีวิเศษกว่าธรรมอันเดียวกันสอนอันเดียวกัน เพียอาจจะได้ฟังจากปากท่าทนั้นเองถ้าโชคดีไปเกิดในจังหวะที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่แต่มันก็ไม่ต่างกันกันกบกอ่านหนังสืออ่านของท่า น, านหนังสือนี่ก็มาจากคําพูดของท่านที่พระสงฆ์แต่ละรูปจดจํากันมาท่องกันมาแล้วก็ในยุคที่มีการบันทึกได้ก็บันทึก ยายุคแรกๆไม่มีใครอ่านหนังสือเขียนอไม่มีอ่านหนังสือไม่มีการเรียนหนังสือกันก็เลยอาศัยการจดจํากันองนี้จดจําสูตรนี้องค์นี้จดจําสูตรนั่นช่วยกันจดช่วยกันจําแล้ว น, นานๆก็มาสังคายนากันมาทบทวนกันทีว่าถูกต้องไหมมีพระอารหันคอยตรวจให้การสังคายนาที่ถูกต้องนี้ต้องมีพระอารหัน เพราะท่านจะรู้ว่าถูกก็ไม่ถูกผิดก็ไม่ผิดถ้าไม่เป็นผ้าหางนี้ไม่รู้เหมือนคนที่ดูเพชรไม่เป็นเวลาที่จะมาตรวจเพชรกันนี่ถ้าไม่มีคนที่ตรวจเพชรเป็นดูเดี๋ยวคนที่ตรวจไม่เป็นก็ดูไม่ออกเพชรจริงเพชรปลอม น, นี่โยมดูออกไหมใครก็เพชรมาขายนี่มาหลอกขายนี่เราจะกล้าซื้อปะ เราก็ต้องพระเราก็ต้องเอาเพชรนี้ไปให้คนที่เขาดูเป็นว่าเป็นเพชรแท้และเพชรเทียมเนีะต้องเอาไปที่ร้านที่มีชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือคนที่จะรู้ธรรมที่เป็นคนก็เหมือนร้านที่ที่รู้ที่น่าเชื่อถือก็คือพระอารหันต์ทั้งหลายถ้าสังกายนาโดยไม่มีพระอารหันต์นี้รับรองได้ว่าเลเทชเนี่ยต่อไปเพราะว่า คนตรวจก็ไม่รู้ว่าเป็นความจริงเป็นยังไงเราจะไปตรวจความจริงได้ยังไงพอเขาพูดอะไรก็คิดว่าไปตามความรู้สึกนึกคิดกันแทนที่จะไปรู้สึกะสตามความเป็นจริงกันสมัยนี้ก็เลยเริ่มเละเทะลนะปฏิบัติกันก็เดี๋ยวนี้ก็ บางทีก็ไม่ต้องมีสมาธิละปัญญาเลยเพราะสมาธิมันยากนะก็ไม่ต้องเอามันเอาปัญญาง่ายกว่าปัญญานี่ฟังก็ได้นะเนี่ยแล้วเอาไปฆ่ากิเลสได้ไหมเวลาเกิดความโลภ้นมาหยุดมันได้ไหมเวลาโกรจหยุดมันได้ไหมพ่อพ่อว่าง มันยังเป็นปัญญาที่ไม่มีสมาธิสนับสนุนปัญญาที่จะฆ่ากิเลสฆ่าอ่าความโลภโกรธหลงได้นี่ต้องมีปัญญาที่มีสมาธิสนับสนุนที่เรียกว่าภาวนาไมยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนี่ฟังไปก็เพียงแต่ให้รู้ท่า น, นั้นเองว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วแต่ถึงเวลาทําจริงๆทําได้หรือเปล่า เป็นคนที่ติดเหล้านี่พอจะให้ถือศีห้านี่ถือได้หรือเปล่าใช่ไหมรู้ว่าผิดแต่มันอยากอ่ะจะทำไงมันทุกข์อ่ะถ้าเวลาไม่ได้ดื่มมันมันทุกข์ก็ขอดื่มก่อนแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมีกําลังที่จะหยุดได้พอเวลานั่งสมาธินี่เราหยุดทุกอย่างไม่ใช่เลยแต่นั่งสมาธิเราทำอะไรหรือล่าเราดื่มกาแฟหรือเปล่า เราดื่มเหล้าหรือเปล่าเราดูหนังหรือเปล่าเราฟังเพลงหรือเปล่าแล้วเรามีความสุขไหมมีความสุข ม, มีความสุขมากกว่าการดื่มเล้ามีความสุขมากกว่าการดื่มกาแฟดูหนังแล้ว เ, เรื่องเวลาเราจะไปดูหนังไปดื่มกาแฟให้เสียเงินทําไมเอาความสุขที่ฟรีๆไม่ดีกว่าที่ดีกว่าไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อกาแฟซื้อ อะไรมันดื่มมากินนั่งสมาธิไม่ดีกว่าพอนั่งสมาธิได้มีความสุขได้พอรู้ว่าความโลภไม่ดีก็หยุดมันได้พอรู้ว่าความโกรธไม่ดีก็หยุดมันได้เพราะเราไม่ต้องความการอะไรแล้วเงแต่ว่ามัน ส, สุขตอนที่ออกอยู่ในสมาธิเวลาออกมาความสุขนี้จะค่อยๆจางหายไปเหมือนน้าเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็น เวลาเอามาจากตู้ใหม่ๆมันก็เย็นแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆเข้าเดี๋ยวมันก็หายเย็นจิตที่ออกจากสมาธิใหม่ๆมันก็ยังไม่อยากได้อะไรแต่พอออกมาเดี๋ยวมาคิดมาเห็นหนู่นเห็นนี่เดี๋ยวความอยากมาแล้วถ้าไม่ระวังไม่หยุดมันมันก็เดี๋ยวทนสู้ความอยากไม่ได้แต่ถ้ามีสติเตือนใจว่าอย่าไปอยากนะอย่าไปทาตามความอยาก หยุดความคิดนะอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราอยาก <สบ sayin'> พอหยุดความคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราอยากความอยากก็หายไปความเย็นก็ยังอยู่ต่อไปทุกครั้งที่อยากก็อย่าไปทําตามความอยากหยุดคิดถึงความอยากแล้วความอยากที่มันเกิดมามันเมื่อมันไม่ได้รับตอบสนองต่อไปมันก็อ่อนกําลังไปเรื่อยๆอลองดูสิทุกครั้งอยากจะดื่มกาแฟลองไม่ไปดื่มมันเราต้องชนะมานาันแน่ๆ ทำไมต้องไปเป็นไปแพ้มันทำไมทุกครั้งมันสั่งให้ไปดื่มกาแฟก็ต้องไปดื่มลองเราลองสู้กับมันดูสิว่าต่อไปนี้ไม่ดื่มมันจะตายให้มันรู้ไปเลยร่างกายมันไม่ตายหรอกร่างกายมันก็ไม่ต้องการกาแฟไม่มีกาแฟร่างกายมันก็ไม่ตายขอให้มันมีน้ำเดือมันอยู่ได้น้น้ําปล่าๆนี่แหละดีที่สุดสำหรับร่างกายลดกาแฟกลิ่นกาแฟนี่ ไม่ต้องใส่เข้าไปในน้ำหรอกร่างกายไ ม, ไม่เดือดร้อนไม่มีรสกาแฟไม่มีกลิ่นกาแฟมันไม่ตายหรอกไอ้ที่ตายก็คือไอ้ที่จะตายก็คือคนดื่มใจเนี่ยโอ้ยมันโหยมันหิวมันอยากมันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะความอยากแต่ถ้าไม่ทำตามความอยากไม่กี่ครั้งเดี๋ยวมันก็หายไปความอยากมันจะหายไปแล้วจะเลิกดื่มได้เดินไม่รู้สึกเดือดร้อน ถ้ามีสมาธิแล้วมันไม่เดือดร้อนเพราะมันมีความสุขเยว่พอหยุดความอยากได้ความสุขที่ได้จากสมาธิก็จะกลับขึ้นมานี่คือเรื่องของการศึกษาการปฏิบัติการมรรุธรรมการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่รู้จักวิธีที่จะสอนให้เราปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์จากการอยากดื่มกาแฟความทุกข์จากการมีแฟนความทุกข์จากการอยากมีเงินมีทองอยากรล่นอยากรวยความทุกข์จากอะไรต่างๆทั้งที่เกิดจากความโลภความอยากนี้มันจะหายไปหมด ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเพราะตัวที่ที่ทำให้เรามาเกิดกันก็คือความโลภความอยากนี่แต่ยังอยากอยากกับลูกเสียงกลิ่นลดอยู่ก็ต้องกลับมามีตาหูจมูกนิ้งกายแล้วอะไรที่มีตาหูจมูกนิ้งกายก็ร่างกายของมนุษย์กับของเดรัจฉานนี่ถ้าไม่ได้ร่างกายของมนุษย์ก็เอาร่างกายของเดรัจฉานก่อน ต่เป็นหมาก่อนก็ยังดีวะหมาก็ยังยังยังกินยังดื่มอะไรได้ยังดูยังฟังยังเสกกรามได้นี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่เป็นเหมือนเพชร แต่ตอนนี้มันยังสกรปรกอยู่มันเพื่อเป็นเพชรที่เพิ่งขุดขึ้นมาจากดินต้องไปหาผู้ชำนาญสอนวิธีเจรนายเพชรให้มันกลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาให้มันเป็นอ l u e d i a m ขึ้นมาต้องหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่จะสอนวิธีเจรนไยจิตใจของพวกเราที่ตอนนี้ ถูกโคลนตมของความโลภโกรธหลงของกิเลสตัณหาควบคุมอยู่เหมือนกับเพชรที่เพิ่งขุดออกมาจากดินเนี่ยมันจะถูกพวกดินพวกอะไรนี้หุ้มหอ ย, อยเราต้องเอามาเจีรงายเอามาชำระเอามาทำความสะอาดแล้วดูสิเพชรที่เขาขายในร้านเนี่ยแข็แล้วเป็นยังไงบางทีไม่เท่ากับ ขีตายังอยากได้เลยแล้วถ้าได้เม็ดขนาดพุทธานี้เป็นยังไงนี่แหละใจของเราต่อไปจะเป็นเพชรขนาดเม็ดพุทธานี่แต่ตอนนี้ยังเป็นดูเหมือนเป็นก้อนหินอยู่ยังไม่มีคุณค่าราคาเพราะเรายังไม่ได้เจรนาย เรายัางไม่ได้ไปศึกษาจากผู้ที่รู้จักวิธีเจรไนทําให้เพชรที่ไม่มีคนณค่าราคานี้กลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาดูคูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุธรรมเลยตอนที่ท่านในบรรลุนี่ไ ม, ม่ใครสนใจไปกราบไหว้ไปศึกษาอะไรกับท่านแต่พอท่านบรรลุธรรมแล้วนี่ย โ, โหตามมันเป็นขบวนะไปอยู่ที่ไหนตามมันไปเพราะท่านกลายเป็นของมีค่าขึ้นมา พอผู้ที่ได้สัมผัสรับรู้จากท่านนี้จะได้รับประโยชน์ตัวเองจะได้รับคุณค่ากลับขึ้นมาว่าจะทำให้ตัวเองกลายเป็นคนที่มีคุณค่าราคาขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาับรองได้ว่าจิตใจของเราตัวเราจะมีคุณค่าราคาขึ้นมามีคุณค่าราคามากกว่ามีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านเล คนร้อยล้านพันล้านเราอยากจะเข้ากันบางทีไม่อยากจะเข้ากลัวมากกว่าคนรวยบางคนนี่เป็นคนรวยแบบโหดร้ายไม่ได้รวยแบบรวออยแบบน่ารักพูดง่ายๆเพวิธีรวยของเขาเขารวยแบบโหดร้าย แต่ก็ไม่ได้ว่าคนรวยทุกคนเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะเข้าใจกคนรวยที่เป็นคนน่ารักก็มีแต่สู้รวยแบบเพชรน้ำหนึ่งไม่ได้เป็นผู้ที่มีคุณค่าราคาต่อผู้ที่ได้เข้ามา เ, าเกี่ยวข้องด้วยจะได้รับประโยชน์อันมหาศาล พวกเราเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันพวกเราก็กำลังได้รับประโยชน์กันในแต่ละในแต่ละระดับตามกำลังของเราเรารักษาศีลสมาธิปัญญาได้มากน้อยเท่าไหร่คุณค่าราคาของใจเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับถ้ารักษาศีลละสมาธิปัญญาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะกลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาจะเป็นเพชรที่มีคุณค่าราคา ไปไหนก็มีอะคนอยากจะเข้าหารู้จักใ น, ในที่เราสวดกันที่สุดปฏิปันโนอุชุยายะสามิจิปฏิปันโนเนี่ยเป็นการเจริญในเพชรเป็นการรักษาศีลสมาธิปัญญาเป็นบุคคลที่อะไรนะที่เขาแปลออกมาควรอัญชลีควรกราบไหว้ควรอะไร เกิดจากการที่เรามาเจรณาจิตใจของเราเพชรของเราให้กลายจากก้อนหินธรรมดาเป็นเพชรที่ยังมีโครนตรมหุ้มห่ออยู่ให้มากลายเป็นเพชรน้าหนึ่งด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาด้วยการศึกษาด้วยการอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ใช่ศึกษาแล้วก็ไปทําเองทําเองเดี๋ยวก็ทําผิด ถ้าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ท่านจะเห็นเวลาทำอะไรผิดนี่ท่านจะรู้ดูกิริยามารายาอะไรต่างๆนี่มันจะบอกว่าทำถูกหรือทำไม่ถูกถ้าเราไปอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าจะมาศึกษาเป็นช่งชวงๆก็ไม่แน่ช่วงที่เราไม่ได้อยู่กับท่านนี่เราก็อาจจะทะเลาทะเลาลายโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้ เพานันถ้าได้อยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยต้องห้าปีมันก็จะได้อะไรไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์เะฉนั้นอยู่โรงเรียนกินนอนทักห้าปีเนี่ยรับรองได้พอไปอยู่คนเดียวต่อไปก็จะไม่เสียคนเพอจะรู้จะมีวินัยในตัวเองก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาในช่วงแรก จะอนุโมทนาให้พรยถาวะเวาหาปุราริกุเรติสาครังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปการปฏิอจิตังปจิตังรวมหังคิดวเมวะสมิจตสัพเพปเรณตุสังกปาจันโปนาระโสยถามณิโชติ สาโสยะธาสัพพิติโยวิวัจันโตสัพพโรโควินัสโตมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทนสีฤทษะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรมาวัฏานติอายุวันโอสุขัง พาล่าวันนี้ทางเฟซก็มาเท่าไหร่สูงสุด416 เ, เกิน400ทั้งวันแล้วเนะนี่ย YouTube 875 875ก็รวมเป็นประมาณ500 500มีคนฟังก็คุ้มค่าเหนื่อยหน่อยจะมีแค่ 2-3 คนฟังแล้วก็มัน ไม่ไม่คุ้มค่าเลยเหมือนเปิดโรงหนังแล้วมีคนเข้าดูสองสามคนไม่คุ้มข้าน้ำค้าไฟปิดดีกว่ามีอะไรจะถามไหม <S <S ไม่มีมีเลย เ, เออว่ามาสิ เราไม่มีสติกากับไม่มีพุโทโธกากับอยู่ต้องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปแล้วมันจะไม่เสื่อมอย่านั่งเฉยเฉยนัย่งเฉยเฉยแล้วมันเดี๋ยวก็จิตใ จ, จมันก็ ข, นขึ้นขึ้นลงลงไปตามภาษาของมันอยาถ้าเราพุโทโธแล้วมันก็จะนิ่งมันจะไม่ขึ้นไม่ลง น, นั่งไปแล้วก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่านั่งเฉยเ ฉ, ย, ฉยการนั่งสมาธินี่ต้องมีอะไรกากับใจนะ ถ้าไม่นั่งพุทธโธก็ต้องดูลมหายใจไปคอยดูลมว่าตอนนี้กําลังหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไปอย่าไปนั่งดูใจนั่งดูจิตนั่งดูจิตจิตมันก็เป็นเหมือนวิ่งพอไม่ไ ม, ไม่ไม่ผูกมันไว้ปล่อยมันเดี๋ยวมันก็เล่นมันก็วิ่งไปวิ่งมาจิตถ้าเราไม่ผูกมันไว้ด้วยพุทธโธไม่ผูกไว้กับลมเดี๋ยวมันก็แสดงอาการต่างๆขึ้นมา นั่งไปไม่เกิดประโยชน์ถ้านั่งแล้วไม่มีสติกำกับใจอย่างนั้นไม่เรียกว่านั่งสมาธิเราต้องการนั่งสมาธิเพื่อให้ใจเป็นเป็นสมาธิคาว่าสมาธิก็คือสงบนิ่งเพราะความสงบนิ่งเป็นความสุขแก่งยิ่งที่เรานั่งนี่เพื่อความสุขเมือานั่งดูหนังก็เพื่อความสุขใช่ไห ม, ม, มเรานั่งสมาธิก็นั่งเพื่อความสุข มันจะสุกก็ต่อเมื่อเรามีสติคอยคุมใจไม่ให้มันไปคิดไม่ให้มันไปแสดงอะไรต่างๆถ้ามีพุโทโธพุโทโธมันจะไม่มีอะไรมันจะว่างจะเย็นจะสบายเอาใจนะอลองไปทาดาูมีใครอยากจะถามแม้ภาษาไทยเดี๋ยวไม่มีด้สลับเปลี่ยนภาษา ว่าหลังจากนั่งบริกรรมพุโทโธแล้วก็ไปสักพักนึงมันจะมีเกิดอาการงูตกลงตกบบ่อค่ะและะ้วข้างในเหมือนข้างในตามันเห็นเหมือนเป็นเหมือนเราเปิดตะเกียงแรงๆแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นชั่วคู่แต่ว่ามไม่รู้วิธีรักษาเอาไว้ก็พุทโธต่อไปไม่ไ<ะ>ม่มันจะเป็นเดี๋ยวเดียวแล้วมันหายไปแล้วก็พุทโธต่อไปค<ะ>นั่งต่อไป แล้วแล้วในในขณะที่นั่งในในที่นั่งคันเดียวเนี่ย s <S <c oughs> ค่ะมันก็จะเกิดอาการแบบนี้อยู่เรื่อยแล้วมันก็จะค่อยๆคลายตัวลงแล้วมันก็จะเป็นขึ้นมาใหม่แล้วมันก็จะคลายตัวลงอยู่แบบเนี้ยค่ะเราพุโทโธอยู่เปล่าตอนอ่าบางครั้งหนูก็จับได้ว่าก่อนหน้าที่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้บางครั้งก็จับได้ว่าพุโทโธมันหายไปอ่าเรากพยายามพุโทโธถ้าไม่พุโทโธไปเรื่อยๆมันจะไม่เป็นแล้วมันจะนิ่งก็ น, นิ่งเฉยๆจะไม่มีอาการอะไร มันจะจะวุบลงไปแล้วก็เน่งจะว่างเีย็นสบายถ้ามีอาการอะไรต่างๆแสดงว่ายังไม่มีพุทธโธกํากับอีกก็ใช้พุทธโธต่อไปถ้าเกิดทุกครั้งที่ถ้าถ้ามันไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกี่ครั้งในที่นั่งเดียวกันคือเมื่อมันเกิดขึ้นปุ๊บพอเรารู้รู้ตัวปุ๊บให้เราพุทธโธต่อ ท, ทันทีพุทธโธต่อแต่ถ้ามันวูบแล้วมันเน่งเฉยว่างๆแล้วมันไม่มีอาการอะไรเราก็ไม่ต้องพุทธโธก็ได้ ให้อยู่กับความว่างไปถ้ามันว่างแ ล, แล้วบางครั้งบางครั้งมันจะมีอาการแบบหูดอับอย่างนี้ค <c oughs> ่ะก็ให้รู้เฉยๆเหมือนกันอาการกต่างๆก็ <c oughs> ให้รู้ว่ามันเป็นอาการที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปไม่ต้องไปสนใจเราต้องการให้ทุกอย่างมันดับถ้ามันยังเกิดดับก็รู้ว่ามันเกิดราก็ต้องพุทโธต่อไปถ้ามันมีอาการกต่างๆเราก็ต้องใช้พุทโธต่อไป แต่ถ้าไม่มีอาการหลงเหลืออยู่มีแต่ความว่างก็ไม่ต้องพุโทโธเราเราต้องการใช้พุโทโธเพื่อให้มันจิตเข้าสู่ความว่างสู้เข้าสู่ความนิ่งความสงบแต่ถ้ามันมีอะไรก็แสดงว่าเรายัางไปไม่ถึงจุดนั้นเราก็ต้องพุโทโธต่อไปอ่แล้วบางครั้งบางครั้งหนูก็จะพ อ, พอเริ่มต้นด้วยการภาวนาพุโทโธไปใช่ไหมคะแล้ว ก่อนหน้าที่จะมันจะมีอาการหูบบางครั้งก็จับได้ว่าตัวเองคือแต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนกันนะคะเออไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรบางครั้งก็จับได้ว่าก่อนหน้าที่มันจะเกิดอาการแบบเนี้ยมันจะมีสัญญาแทรกแร็ปแรแบบเนี้ค่ะเออก็รู้ไปก็แล้วกันคือแสดงว่าเราพูดโธรเราไม่ไม่ต่อเนื่องไม่พูดโธยังไม่แน่นพอเ<ร>อโอโบยาให้มีพูดโธรไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีอะไรอาการอะไรก็อย่าทิ้งพูดโธรก็แล้วกัน อย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นตอนกว่าไม่มีอาการหรืออะไรเหลืออยู่เลยว่างเราก็หยุดพุดโทโธได้บางครั้งมันจะรู้ตกใจอ่าก็พุโทโธไปมันก็เป็นอาการอย่างอาการหนึ่งถ้ามีพุโทโธแล้วต่อไปมันจะว่างมันจะนิ่งจะไม่มีอะไรเหลืออยู่แบบแบบนี้คือมันเป็นธรรมดาใช่ไหมอ่าเป็นธรรมดาแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆจิตมันก็จะหนาแน่นขึ้นเองหนาแน่นจะว่างจะเย็นจะสงบจะไม่มีอะไรแต่ต้องมีพุโทโธเป็นตัวคอยกํากับใจถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวมันก็ถ้าขี้เกียจพุโทโธก็ต้องมีลมหายใจแทนถ้าขี้เกียจพุโทโธก็เนาะใช้ดูลมหายใจแทนไปต้องมีอะไรผูกใจไว้เหมือนกับเรือถ้าเราไม่ผูกไว้กับเสาหรือทอดสมอเดี๋ยวมันก็จะลอยไป อย่างอย่างเช่นบางครั้งหนูนั่งฟังหลวงพ่อเทศอยู่แล้วก็มันก็เกิดอาการเหมือนทุกสิ่งรอบตัวมันดับล ง, งมันดับก็ใจเราไม่ไปสนใจมันก็ดับไป<า><ะ>ใจเราเข้าข้างในเงี้ยแล้วปิดประตูหน้าต่างปิดตาหูจมูกทิ้งกายใจถอนวิ ญ, ญญาณที่ไปเกาะติดอยู่กับรูปเสียงกินรถเข้าออกเข้าไปข้างในไม่รับรู้มันก็เหมือนกันมันดับไป แล้วถ้าเกิดว่าถ้าหนูนั่งแบบมันเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาอีกแล้วถ้าเกิดว่ามันดับไปทั้งหมดแบบนี้แล้วสักพักหนึ่งมันก็จะค่อยๆคลายตัวลงถ้าเกิดว่าหนูรู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยให้หนูบริการพักคุ้โทรต่อทันทีนะคะถ้ามันดับก็ไม่ต้องบริกรรอะไรได้รู้เฉยๆให้มีสติรู้เฉยๆเรื่อว่ามันอาการอันนี้มันดับไปถ้ามันว่างมันก็ไม่ต้องบริกรรมถ้ามันดับแล้วมันก็ต้องว่างก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ เนื้อแต่ตัวรู้ตัวเดียวก็ไม่ต้องบริกรรมต้องการให้มันดับต้องการให้มันว่างหูดับตับไหอ่อะไรทํานองเนีถ้ถ้ามันดับก็คือถูกแล้วใช่ไหมอ่าถูกแล้วหรือถ้ามันไม่ดับแต่ใจเราไม่ไปมีอารมณ์กับมันก็ใช้ได้เช่นเมื่อก่อน ได้ยินเสียงแล้วลำคาญแต่พอมันสงบแล้วไม่ได้ยินเสียงมันจะไม่ลำคาญมันจะเฉยเฉยอย่างนั้นก็ได้ี่ถ้ามันไม่ลำคาญกับรูปเสียงกลิ่นแลรสก็ใช้ได้บางทีรูปเสียงกลิ่นรถหายไปหลับไปก็ใช้ได้โอเคก็คิดว่าวันนี้ทางบ้านก็ขอผ่านไปอีกวัน <c oughs> ไว้วันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเลย